ให้บวเป็นสา ม, มนเนชีวิตของสา ม, มนเนรเราเหุนถ้าเจอกับสา ม, มนเนรอีกหลายท่านนะที่มีชื่อเสียงนะก็ถือว่าเรียบเรียกอยาสา ม, มนเนรหลายท่านนะอายุเจดขวบก็บรรษธรรมเป็นพระอรหันต์อย่างสามเนรสิ ว, วลี สัมมณีสุขสัมมณีบัณฑิตนั้นคนนี้เป็นสามมณีที่มีชื่อแต่สั ม, มเณีลาหุนก็มีชีวิเรียบเรียบแต่สิ่งที่ท่านเด่นก็คือความเป็นผู้ที่เรียกว่าว่านอนสอนง่ายเป็นผู้ที่ใฝ่ต่อการศึกษาผ่อนน้อมทําตัวคือถ้าเทียบกับ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 ออกจากราชวังเพื่อบวชนั่นก็จะอ้างสิทธิ์พิเศษอยู่เสมอแต่พฤตัวไม่สนใจว่าพระวินัยเวลาพระโมคคัลลานะพระไตรปุฎหวงติ่งก็จะก็จะเถียง ทั้งที่ทั้งสองท่านก็เป็นพันเตก็จะอ้างว่าตัวเองเป็นคนสนิทขอพรเจ้ามองว่าเนี่ยพระโมกข น, นาสัยเรือวนนี้เป็นผวกเป็นมาทีหลังไม่มีความหมายอันนี้เป็นลักษณะของพระช น, นะที่ตอนหลังก็เป็นอย่างนี้มาจนแก่ตอนหลังที่พเจ้า พระนิพาแล้วก็คณะสงฆ์ก็ลงพรหมทันอันนี้ก็เป็นคำแนะนาของพระพุทธเจ้าเองนะให้ลงพรหมธทันพระช น, นะขณะอายุแปดสิบก็ยังก็ยังไม่ไม่รู้สานึกนะจนทั้งลงพรหมธทันนั่นแหละโดนสงลงพรหมธทันคือไม่พูดไม่คุยไม่ติดป่อข้องเกี่ยวด้วยถึงได้สานึกแล้วก็บรรลุธรรมในภายหลัง แต่ตรงข้าวนะครับสามเน็นลาหุนนี่เรียกว่าทั้งที่เป็นคนเป็นลูกนะก็คิดเจ้าแต่ก็ผู้ภาษาชาวบ้างคือไม่เคยอวดเบ่งก็ใช้ชิดเหมือนกับอเนินทั่วๆไปคราวหนึ่งพระก็อยากจะทดสอบว่าท่านจะ มีความ น, นั่งทาต้นว่างง่ายแค่ไหนคือปกติสำเนาหุ่นก็มีที่ทําความสะอาดทําความสะอาดเสนาสนะปกติทําความสะอาดเสนาสนะเสร็จก็จะเอาจะวางไม่กวาดเอาไว้เป็นที่นิชชิต แต่คนี้พาทำการทดสอบก็เลยเอาไม้กวาดมาวางไว้เกะ ก, กะข้างนอกพอสามเณรเดินผ่านมาก็ก็ทำทีเป็นดุสามเณรว่าเนี่ยทำไมเอาไม้กวาดมาวางไว้ไม่เป็นที่แบบนี้เอาเก็บเข้าที่แล้วชั้ 30, นในลาวุนก็ไม่ว่าอะไรนะ กาที่จะเถียงว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำก็ก็นิ่งเงียบแล้วก็ขอขามาพระทั้งหลายแล้วก็เอาไม้กวาดไปเก็บรือท่านก็รู้อยู่กับแจว่าไม่ใช่ท่านไม่ได้ทำนะแต่ว่าก็ไม่เถียงก็รับคำตาหนิไปโดยดุษฎี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 เรียนรู้ได้อ่านได้ศึกษาอากกว่าถ้าเนีเป็นพระเสกขบุคคลหรือพระอรหรันตก็ก็ได้มีพระสูตรหลายพระสูตรที่พระองค์ได้สอนพระสามาเนรราหุลมีคราวหนึ่งพระองค์ก็สอนสามาเนรราหุลให้ให้มองกายนี้ให้พิจารณากายนี้ ว่าเป็นธาตุห้านะดินน้ำไฟลมแล้วก็อากาศด้วยนั่นก็ข้ากับกากับตาสตนะิที่เราเอาศัยอย่างเป็นสักครู่นะแต่ว่าสดย่อๆว่าเป็นห้าก็เห็นว่าเนี่ยมันร่างกายนี่มันก็ประกอบไปด้วย ้าดินดินนี่ก็ได้แก่พวกอวัยวะที่มันเป็นของทึกตันนะเช่นกระดูกตับไตแล้วก็ธาตุน้ำก็เสเลนะเลือดหนองธาดุไฟก็อุภูมิธนะาตุลมก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอากาศก็ที่เป็นช่องว่างนะช่องว่างในอวัยวะ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 สอนให้ทําใจอย่างไรนะก็ให้ทําใจเหมือนกับดินก็คือดินนี่มันไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะใครจะโยนของสะอาดหรือของนอเน่าเปื่อลงไปในดินดินก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะก็ให้ทําใจนั้นแหละไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อสิ่งที่อเป็นบวกหรือเป็นลบนะ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 เป็นสยธรรมคือเห็นความจริงเรื่องอนัตตาขณะเดียกันการการน้อมใจให้เป็นเหมือนกับเด่นน้ำไฟลมอากาศที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยก็คือการฝุกจิตให้ให้ดีงามให้งดงามอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจริยธรรมนะ ก็คือว่าถ้าถ้าใจจิตใจเรามั่นคงเป็นปกตินะไม่ว่ามีอะไรมากระทบหรือไม่ก็ไม่ยินดีไม่หยนรลายนะอันนี้ก็ทำให้จิตใจเนี่ยงดงามได้ทำให้การประพิปฏิบัติถูกต้องตามทํานองครองธรรมคือไม่โกรธเมื่อไม่โกรธก็ไม่ไปพูดจาทำร้ายใคร แม้ว่าจะเจอความต่อว่าด่าทอนะใจก็ยังสงบนิ่งอันนี้เป็นเรื่องของจริยธรรมธรรมะในพูเจ้าเนี่ยธรรมะที่รเจ้าสอนเนี่ยก็ถ้าพูดย่อนะมันก็คือมีแค่สองนั่นแหละก็คือสัจธรรมและจริยธรรม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 การจิตที่มีปัญญากนะ็ใจสักดิ์ธรรมความจริงอันนี้ก็เป็นอันหนึง่บงบอนทีเราก็เรียกปัญญาเฉยๆนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเรารู้จักแยกแยะหน่อยก็ดีเพราะว่าการปฏิบัติธรรม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 ให้เกิดปัญญาหรือให้เห็นก็ใจศักดิ์ธรรมเนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยนะในเรื่องของการยังไม่ปลอดภัยจากความทุกข์ความทุกมก็ยังสามารถที่จะเล่นงานได้าคนทําดีก็ยังมีความทุกข์อยู่ไม่ใช่แค่ทุกข์กายแต่ทุกข์ใจเกินทาดีมีเมตตากรุณาแต่ก็ยัง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 ทิงแท้แน่นอนนะชื่อรางก็ตกอยู่ภายใต้อันนี้จังทุกครั้งนักตา่างหนีไม่พ้นถ้าไม่ไม่เห็นความจริงตรงนี้เนี่ยทำความดีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังทุกข์นะเพียงแต่ว่าทุกน้อยกว่าคนที่ทำชั่วเพราะคนทำชั่วนี่ต้องได้รับผลจากการทำชั่วอยู่แล้วทำให้เกิดความเดือดร้อนใจ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 ทาละเียเนี่ยเป็นเรื่องจริยธรรมเลยบุญกิริยาสามประการทางศียภาวนาเนี่ยทางศียนี่เป็นเรื่องจริยธรรม เ, เรื่องความดีเลยตรงส่วนภาวนานี่ก็มีทั้งจริยธรรมและศัจจธรรมภาวนาเพื่อให้จิตสงบภาวนาเพื่อให้จิตมีเมตต า, า, าเพื่อให้ไม่ประมาทจะได้ขนขวายทําความดี หรือว่ามีขันติมีวิริยะอดทนรวนะนทั้งมีรู้สึกสันมีสันโดษความพอใจสิ่งที่มีดีสิ่งที่ได้ไอ้พวนี้เนี่ยถือว่าเรียกรวมรวมเปเรื่องจริยธรรมเรื่องความดีงามจิตที่ทนนมันคงไม่ไม่โกรธนะไม่โกรธใครนะหรือว่าหรือว่าวางอนะ วางใจเป็นอยู่เบกขารู้จักรู้จักปล่อยวางได้ไม่โกรธไม่โมโหไม่เศร้าโศกไม่เสียใจนี่ เ, น เ, ร เ, นเรื่องจริยธรรมเพราะอาศัยสติสมาธิอาศัยสติบ้างสมาธิบ้างอาศัยเ ม, รรมตตาแล้วตอนเมื่อเห็นมีปัญญาเห็นนะเข้าใจใจละเข้าใจเรื่องรูปนามอันนี้มันก็จะทำให้นะความวันไหวของจิตนะ มันหมดไปไม่วันไหวนะกับความพ ล, ลุนป่วนแปรนะของสังขารที่จริงการไม่ยินดีไม่ยินลายเนี่ยไม่ยินดีไม่ยินลายในเสียงต่างที่มากระทบเนี่ยเช่นเมื่อได้เมื่อเจอลูกะทั่งฝ่ายบวกก็ไม่ยินดีเมื่อเจอลูกะทั่งฝ่ายลบ ก, ก็ไม่ยินร้ายอันนี้ก็เกิดประจับปัญญาได้นะ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 ฟองน้ำพยับแดดก็พิจารณาว่านี่ชีวิตเราก็ไม่ตายจากฟองน้ำแล้วพยับแดดก็คือว่ามันเกิดขึ้นมาชั่วคราวปเดประดาวแล้วก็หายไปอันนี้ก็สอนหนึ่งจรัจรธรรมความไม่เที่ยงของชีวิตเออเราพูดว่าธรรมชาติสอนธรรมนี่นะก็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 บางทีก็ให้เรียนจากนกนะั้นนกนี่มันมีปีกแค่สองข้างก็ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระนั่นก็สอนพระว่านนี้ให้ให้อยู่อย่างเบาเหมือนกับนกเนะี่ยอันนี้ก็สอนเรื่องการใช้ชีวิตเรียบง่ายนะอันนี้ก็เป็นจริยธรรมได้เราก็ต้องฉลาดในการมองในการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัว ํามเนรสุขเดินไปบินเดินมินบาทเห็นชาวนากาลังทดน้ำเข้านานเข้าไปในหมู่บ้านก็เห็นช่างธนูกาลังดัดลูกธนูก็ไปหนก็เห็นช่างไม้กาลังดัดไม้ก็เกิดได้คิดขึ้นมานะเออคนอาชีพต่างๆนี่เขาก็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 แล้วก็บรรลุธรรมเป็นตอนแรกในเช้าวันนั้นเลยอันนี้ก็ท่านได้ถ้าก็เรียนเรียนธรรมมจากสิ่งง่ายๆพื้นๆเรียนจากชาวนาะเรียนจากช่างไม้เลยอยากช่างธนูแล้วก็ได้ข้อคิดจากพวกสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะว่ามันยังสามารถจะ